เรื่องอะีลมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตร่างมีคนเป็นดาบเพศชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครื้ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระหมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครันเวลาเช้าพระหมหาโมคลานะครองอันตรวาสก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 ท่านโมคลลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลลานะตอบว่าทลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินธบัตในกรุงราชคฤห์กลับจากบินทบทัตหลังจากชั้นอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณนะที่สมควร ครั้นแล้วพระคณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคัลลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิชกูดในกรุงราชคลึนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งไดแสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นอสิลมเปรตเพศชายลอยในอากาศวงเล็บขน ดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่านาส จ, จันจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าพระหมหาโมคคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุยันก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นอสิลมเปรตเพศ ช, ชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์ น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลาย เนั้นเคยเป็นคนฆ่าหมูในกรุงราชครึกเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่4ี่สิบ